รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องโลกทิพย์ซึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลาจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Life in the World unseen ซึ่งเรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียต่อจากตอนที่แล้วตอนที่17ลักษณะของกายทิพย์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบุคคลมักจะคิดฝัน และนำมาถามข้าพเจ้าอยู่เสมอเสมอคือกายทิพนั้นมีลักษณะอย่างไรและเมื่อเราได้ละทิ้งกายเนื้อมาคลองกายทิพแล้วนั้นมีความรู้สึกริอินซีหรือประสาทสัมผัสแตกต่างกับกายเนื้ออย่างไรบ้างปัญหานี้แตกต่างกับข้อที่แล้วมาอยู่แง่หนึ่งคือข้อที่แล้วมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะของโลกทิพกับโลกมนุษย์ ส่วนข้อนี้เป็นการแสดงลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกายเนื้อกับกายทิพ์โดยตรงเรื่องเช่นนี้จะว่าตอบง่ายหรือยากก็ได้ทั้งสองทางสมมติว่าข้าพเจ้าจะถามท่านว่ากายเนื้อของท่านนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือการที่ท่านเป็นชาวมนุษย์คลองกายเนื้อแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างท่านก็คงจะรู้สึกอึดอัดในการหาคาตอบ หรือบรรยาให้ถูกต้องและถี่ถ้วนได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินจนเราไม่ได้นึกคิดกันว่ามันจะเป็นอย่างไรข้อนี้ฉันใดคำถามเกี่ยวกับเรื่องกายทิพย์หรือความรู้สึกในเมื่อคลองกายทิพย์ก็เป็นฉันนั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้าพเจ้าก็เคยได้เป็นมนุษย์คลองกายเนื้อมาก่อนเหมือนกันจึงพอใจผู้ที่ตั้งคำถาม หรือมีความสงสัยในเรื่องเช่นนี้อยู่มากซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามบรรยายให้ทราบเท่าที่จะทำได้ประการแรกขอให้ท่านนึกถึงกายเนื้อของท่านเสียก่อนกายชนิดนี้เป็นของหยากและหนักมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่เสมอซึ่งจะต้องให้ได้รับการพักผ่อนหลับนอนตามเวลานอกจากนั้นมันจะรู้สึกหิวและกระหายอยู่ บ, บ่อย ซึ่งต้องหาอาหารบ้างเครื่องดื่มบ้างมาปนเปรื้อเพื่อดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมิฉนั้นก็ทนไม่ไหวนอกจากนั้นยังเป็นสาธารณแก่ความหนาวร้อนโรคภัยไข้เจ็บนานาประการซึ่งต้องหาเสื้อผ้าปกคลุมและเยียวยากัน บ, บ่อยเป็นความลาบากและยุ่งยากรำคาญทั้งกายและใจแต่ก็ยังไม่หมดในเรื่องความลาบากของร่างกายเพียงเท่านี้ เพราะอวัยวะแขนขาเป็นต้นของกายเนื้อนั้นต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่เสมออาจจะขาดหักหรือชำรุดพิการไปเมื่อไรก็ได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงซึ่งไม่มีผู้ใดร่วงรู้ได้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไรแม้ว่าจะปลอดจากอุบัติเหตุดังกล่าวไปได้เมื่อถึงคราววัยชราอินรีหรือประสาทสัมผัสของกายเนื้อก็จะหย่อนประสิทธิภาพลงโดยลาดับ ซึ่งทั้งที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของมันก็จะบังคับไม่ได้หนักๆเข้าประสาทสัมผัสของเราบางชนิดอาจถึงแก่ชำรุดเสียหายไปโดยที่ไม่สามารถจะแก้คืนก็ได้หรือมิฉะนั้นอินทรีย์เหล่านั้นอาจจะบกพร่องตั้งแต่เมื่อเกิดมาก็ได้บางครั้งมันสมองของกายเนื้ออาจจะพิการ ไม่สามารถควบคุมความเป็นไปของกายเนื้อให้สมบูรณ์อีกก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างกว้างๆเท่าที่พอจะนึกได้เกี่ยวกับความทุกข์ของกายเนื้อซึ่งท่านก็คงพอสรุปลงความเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์และความเศร้าหมองเพียงใดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้อื่นมากกล่าวคือ อาจจะมีร่างกายแข็งแรงมีอินทรีย์สมบูรณ์และนำชีวิตให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและเป็นอันตรายตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาได้ก็ตามถึงกระนั้นก็ยังมีโรคหรือทุกข์อีกอย่างน้อยสามประการซึ่งท่านผู้ครองกายเนื้อจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นคือความหิวกระหายและความเหนื่อยซึ่งทั้งสามประการนี้ ท่านจะต้องคอยปลนเปลือแก้ไขยอยู่เสมอด้วยอาหารน้ำและการพักผ่อนตามสมควรมิฉะนั้นกายเนื้อจะทนอยู่ไม่ได้ตอนนี้ขอให้ท่านใช้มโนภาพปัดเอาความทุกข์ของกายเนื้อต่างๆออกไปเสียให้หมดคือตัดความหิวกระหายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดอุบัติเหตุต่างๆ ตลอดถึ้งความเสื่อมโทรมแห่งอินทรียสังขารอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแห่งวัยสิ่งอันไม่น่าจะพึงปรารถนาเหล่านี้ขอให้ท่านปัดทิ้งออกไปเสียให้หมดโดยไม่มีเหลือจากร่างกายของท่านให้คงเหลืออยู่แต่ร่างกายจริงๆไม่มีความทรมานจากหนาวร้อนจากความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเหตุร้ายหรือความเสื่อมโทรมอย่างใด นั่นลหละคือกายทิพย์และผู้คลองกายทิพย์จะรู้สึกอย่างไรก็ลองนึกเอาเองเมื่อข้าพเจ้ายังคลองกายเนื้อในมนุษยโลกก็ต้องผ่านความทุกข์ยากอย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายซึ่งร่างกายต้องได้รับความเจ็บไข้จนทนไม่ได้นอกจากจะมีความปลอดโปร่งดังที่ได้บรรยายมาแล้วก็ยังมีความแจ่มใส และมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างประหลาด้าพระเจ้าสามารถระลึกย้อนหลังไปถึงการกระทำและคำพูดทุกประการที่ต้องการจะระลึกได้ไม่ว่าจะนานมาแล้วสักเท่าไรกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อกายทิพย์ของเราได้พลากจากกายเนื้อมาแล้วเช่นนี้เราจะมีสติหรือความจำดีขึ้นมากสิ่งใดที่ทำพูดหรือคิดไว้แล้วจะไม่มีวันลืมเลือนเลย บางอย่างที่เรานึกไม่ได้ในขณะที่ยังคลองกายเนื้ออยู่นั้นก็จะนึกขึ้นได้ในตอนนี้เองทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้หาได้ลบเลือนไปไม่แต่จะฝังแน่นเป็นรอยพิมพ์ใจอยู่ในจิตใต้สํานึกตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตใจของเราในขณะเช่นนี้จะต้องถูกหลอกหลอนอยู่ด้วยความจําในอดีตตลอดเวลาหามิได้เลย เพราะเท่าที่กพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนี้ก็หมายความแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในวิสัยที่เราจะระลึกได้ในเมื่อต้องการเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างกันกับในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์อยู่บ้างก็คือว่าในตอนนั้นอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราระลึกย้อนหลังไปไม่ได้แต่ในบัดนี้เราจะระลึกย้อนหลังไปได้เสมอนานเท่านาน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้ก็เป็นลักษณะสามัญของบุคคลทั่วไปเมื่อได้ผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้อำนาจของความจำหรือสติดังกล่าวมาแล้วนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆในโลกทิพนี้เพราะดังที่กษัระเจ้าได้บรรยายมาแล้วพวกเราชาวโลกทิพนี้ หาได้ใช้เวลาไปในการฟังเทศหรือสวดมนต์อย่างเดียวไม่แต่เราใช้เวลาของเราเพื่อการศึกษาศิลปะและวิทยาการต่างๆตามความถนัดของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันต่างกันอยู่ก็แต่ว่าพวกเราที่นี่ทํางานและศึกษาลเล่าเรียนกันด้วยความสมัครใจจริงๆ ไม่มีใครทำเพื่ออาชีพหรือด้วยความจำเป็นอย่างใดเลยเราทำและเล่าเรียนสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการและเราหยุดเพื่อเปลี่ยนอารมณ์หรือเพื่อเหตุอื่นๆก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการจะหยุดไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นอย่างใดเลยด้วยเหตุดังกล่าวมาชาวโลกทิพย์จึงทำงานและเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วผิดกว่าชาวโลกมนุษย์มาก สิ่งใดที่ได้เรียนแล้วจะไม่มีวันลืมไปได้เลยเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้เราเก้าวหน้าไปได้ไกลและเร็วเพียงใดไม่ต้องกล่าวถึงข้อได้เปรียบอย่างอื่นเช่นการที่เราสามารถเรียนและทำงานได้โดยมันสมองไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเครื่องเบียดเบียน แม้ในการฝึกหัดการพิมมือต่างๆเราก็ทำได้รวดเร็วมากเพราะกล้ามเนื้อทุกอย่างอยู่ในความควบคุมบังคับของจิตใจโดยสมบูรณ์อย่าลืมว่าเราก็มีกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันตราบใดที่จิตใจต้องการจะให้เป็นไปอย่างใดแล้วจะไม่มีการเผลอไผลพลาดพลัง้งหรือลื่นถลายออกนอกทางของจิตใจได้เลยเป็นอันขาดซึ่งท่านคงจะจาได้ว่า พระเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งว่าอุบัติเหตุหรือสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจทำนั้นจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลยในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกหัดการฝีมือหรือการเล่นใดๆเช่นงานเย็บ ป, ปักถักร้อยหรือการดนตรีที่ต้องเล่นกับเครื่องมือเช่นเปียโนโหรือไวโอลินก็ดีเราจะไม่ต้องเสียเวลาหัดกันานานๆเหมือนอย่างชาวโลกมนุษย์เลย สิ่งที่เราจะทําไม่ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เราไม่อยากเรียนรู้เพราะอาจไม่ถูกกับนิสัยของเราเท่านั้นทั้งนี้เพราะมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เคยกล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันว่าคนเรานั้นแม้ตายไปแล้วนิสัยเดิมก็ยังหาได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้หมายความว่าพวกเราชาวโลกทิพย จะต้องเก่งหรือรู้ไปเสหมดทุกอย่างทั้งนี้เพราะในโลกทริปนี้สิ่งใดที่ท่านไม่ชอบทำโดยฝืนกับนิสัยของท่านก็ไม่ต้องทำเพราะความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่ออาชีพหรือเพื่อเศรษฐกิจอะไรในทำนองนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วทุกประการบุคคลที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดีนักเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็จะพบว่า ระดับแห่งสติปัญญาของเขาเพิ่มทวีขึ้นเป็นอันมากเมื่อเข้ามาสู่นรกนี้ข้อได้เปรียบอยู่ประการหนึ่งก็คือเรามีอาจารย์ผู้สามารถในวิชาการขแขนงต่างๆทุกขแขนงไว้คอยแนะนำพร่ำสอนลูกศิษย์อย่างพร้อมมูลเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้รักวิชาต่างๆลองคิดดูก็แล้วกันว่าการศึกษาเล่าเรียนของเรา จะก้าวหน้าไปได้ผิดกว่าในโลกมนุษย์สักเพียงใดในเมื่อทั้งฝ่ายศิทธิ์ล่าจารย์มีร่างกายละมันสมองที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีความจําที่ไม่รู้จักลืมและมีความเป็นอิสระที่จะเลือกเรียนเลือกสอนและเลือกทําอะไรก็ได้ตามใจรักของตนจริงๆเช่นนี้อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดวงจิตที่ลืมไม่ได้เช่นนี้ มีคุณประโยชน์แก่พวกเราณนะที่นี้เพียงใดก็มีโทษอย่างมหาศลแก่ผู้ที่อยู่ในอบายภูมิอย่างยิ่งเพียงนั้นเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิอันหาความเจริญมิได้เช่นนั้นจะต้องถูกหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาด้วยกรรมอเลวร้ายของตนซึ่งได้กระทําไว้ในโลกมนุษย์ความทุกข์ทรมานของผู้มีจิตใจเช่นนี้จะรุนแรงเพียงใดก็ขอให้ท่านลองนึกดู หรือย้อนไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของอวัยภูมิขั้งต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลักษณะส่วนร่างกายของกายทิพย์ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนสมองของกายทิพย์ต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงส่วนร่างกายของกายทิพย์โดยเฉพาะกล่าวโดยทั่วทวไปกายทิพย์ก็มีลักษณะเหมือนกายเนื้อนั่นเองนี่ว่าถึงส่วนรูปร่างลักษณะ คือเรามีอวัยวะแขนขาทุกประการเหมือนกับพวกท่านนั่นเองและก็ไม่ใช่อวัยวะแขนขาของร่างที่ปราศจากชีวิตแต่อย่างใดเพราะแม้เราจะได้ถูกชาวโลกมนุษย์ขนานนามว่าตายแล้วก็ตามแต่เราถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์หรือจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำเรามีอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสครบถ้วนทุกประการ เราสามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสสัมผัสและรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันถ้าจะผิดกันบ้างก็คือว่าอินทรีย์สัมผัสของเราทุกประการเฉียบคมกว่าของมนุษย์มากมายหลายเท่านักทั้งนี้เพราะอินทรีย์สัมผัสของมนุษย์ทั้งหลายถูกทวงให้หนักและขัดข้องและจากัดอยู่ด้วยความหนักอุ้ยอ้ายของกายเนื้อ เ, เป็นส่วนมาก บัดนี้เมื่อเราไม่มีกายหยาบเช่นนั้นเป็นเครื่อง่วงและขัดขวางต่อไปแล้วประสาทสัมผัส ต, ต่างๆของเราจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในสภาวะอันเป็นทริปซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วสาเร็จด้วยใจทั้งสิน้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทลิปอีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกลวิการของกายเนื้อประการใดๆที่เคยมีอยู่มาแต่เดิม เช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปทันทีในเมื่อกายทิพย์ได้พลากจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้วทั้งนี้เพราะความวิกลวิการเหล่านั้นเป็นส่วนของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่สามารถเข้ามาครอบงำร่างที่เป็นทิพย์ได้อีกต่อไปทุกคนในโลกทิพย์จะมีร่างที่ได้ส่วนสัตว์สมบูรณ์เหมือนกันหมดมโนไมากาย กายที่สำเร็จด้วยใจหมายเหตุของผู้แปลข้อความที่แสดงลักษณะทั่วไปของกายที่ดังกล่าวมานี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นทํานองเดียวกันคือในสีละขันธวัตที่คณิกายโปโตรถปาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสบรรยายแก่ปโตรถปาทะปริภาชกถึงเรื่องอัตตาคือตัวตนสามชั้นคือชั้นกายหยาบ ประกอบด้วยธาตุสี่ต้องให้น้ําป้อนข้าวอยู่เสมอหนึ่งกายที่สําเร็จด้วยใจหนึ่งและกายที่เป็นอรูปหนึ่งกายทิพย์นี้ก็คงจะเป็นกายชั้นสองนั่นเองซึ่งมีคําบรรยายสภาวะไว้ว่าเป็นกายที่สําเร็จด้วยใจหรือมโนมยัยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนเหมือนกายเนื้อสับพังคะปัจจางคีและอะีนินทริโย คือมีอินทรีย์ประสาทสัมผัสสามารถรับความรู้สึกต่างๆได้ไม่หย่อนกว่ากายเนื้อหยาบเลยท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงสอนว่ากายหรืออัตตาทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะที่จะต้องละหรือวางอุปาทานเสียให้หมดที่พระองค์แสดงธรรมมีประการต่างๆก็เพื่อให้ละความเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนในกายทั้งสามชั้นนี้เสียให้หมดนั่นเอง ทรงแสดงอานิสงส์ว่าเมื่อปล่อยวางความยึดถือเสียได้แล้วสิ่งที่เศร้าหมองมืดหมัวจะจางไปสิ่งผุดผ่องจะเกิดขึ้นงอกงามยิ่งนักนอกจากนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่มีปีติสุขปราโมทมีสติสัมปชัญญะและมีความสงบระ ง, งับด้วยความงามหรือความน่าเกลียดของกายทิพย์ขึ้นอยู่กับจิตใจในโลกมนุษย์ วัยอันเป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายก็คือวัยหนุ่มสาวอันเป็นระยะเวลาที่ร่างกายและจิตใจถึงความเจริญขั้นสูงสุดแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นั้นวัยหนุ่มสาวเช่นว่านี้อยู่ในระยะตอนกลางแห่งอายุของบุคคลโดยทั่วไปแต่ในโลกทิพย์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น วัยหนุ่มสาวของเราเป็นวัยที่ทรงตัวอยู่ในระยะปลายและคงอยู่เช่นนั้นไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นหากบุคคลที่ถึงแก่ความตายจากโลกมนุษมานั้นเป็นผู้ชราภาพคลั้นมาสู่โลกนี้แล้วยิ่งอยู่นานไปก็จะยิ่งเป็นหนุ่มสาวขึ้นทุกขณะส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษมาเมื่อ ย, ยังเป็นเด็กคลั้นมาอยู่ที่นี่ นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกประกรรมลำบากมามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่นานๆไปริ้วรอยแห่งความลำบากและความชราต่างๆเช่นรอยเหี่ยวยน่นหรือแววแห่งความเศร้าหมองที่มีอยู่แต่เดิมนั้นจะค่อยๆหายไปเอง คงเหลืออยู่แต่ร่างกายอันสมบูรณ์เปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลแสดงถึงความสุกกายสุกใจอย่างแท้จริงทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้อยู่ในอบยภูมิแล้วก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนั้นแม้จะเป็นผู้ที่มีเรือนร่างสมบูรณ์เปล่งปลัง่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามครั้นมาอยู่สถานที่อันเป็นทิพย์เช่นนี้แล้ว ผุ้คนเหล่านั้นไม่มีกายเนื้อหยาบอันจะปิดบังจิตใจโสมมชั่วร้ายของเขาทำให้ผู้อื่นหลงได้อีกต่อไปร่างทิพย์ของเขาซึ่งสำเร็จด้วยธาตุใจจะมีลักษณะบูดเบี้ยวเหยแก่และวิกลวิการตามสภาพแห่งจิตใจอันโสม ม, มของเขาโดยไม่ผิดเพี้ยนและเขาจะเคลื่อนไปสู่ไวยชรายิ่งขึ้นทุกขณะได้กล่าวมาแล้วว่า ความระทมทุกของชีวิตในโลกมนุษย์นั้นอาจทำให้เกิดความวิกลวิการและความน่าเกลียดให้แก่กายเนื้อได้ก็จริงแต่ไม่สามารถจะทำให้ร่างทิพย์เกิดความน่าเกลียดตามไปได้เลยหากจิตใจของผู้นั้นบริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของกายทิพย์คุณสมบัติวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างทิพย์เช่นนี้ จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของโรคร้ายหรือเชื้อโรคแต่ประการใดเลยเพราะในภูมิอันมีความถี่สูงขึ้นเช่นนี้ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดสามารถดำรงอยู่ได้เลยเพียงเท่านี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้มีความยุติธรรมเพียงใดในโลกมนุษย์ท่านจะเห็นร่างเนื้อที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็ยังไม่สามารถอนุมานได้ว่า ใครมีจิตใจผ่องใสหรือชั่วชาเพียงไหนเพราะผู้ที่มีร่างกายน่ารักสมบูรณ์และสะอาดนั้นอาจมีใจที่สกปรกชั่วร้ายอย่างเหลือแสนก็ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีเรือนร่างอันขี้ริ้วขี้เรหาความน่าดูไม่ได้เลยนั้นอาจมีจิตใจประณีตบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็ได้แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไป จิตใจของเขามีสภาพเป็นอย่างไรร่างทิพย์ของเขาก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นกายวิภาค ข, ของร่างทิพย์ท่านคงสงสัยว่านอกจากอวัยวะแขนขาและอินทรีย์สัมผสัสของร่างทิพย์ซึ่งเหมือนกับร่างมนุษย์แล้วนั้นว่าโดยส่วนภายในแล้วร่างทิพย์จะมีอวัยวะใหญ่น้อยซึ่งอยู่ภายในเหมือนกับร่างมนุษย์หรือไม่ ขอบอกว่าจะว่าเหมือนกันก็ได้คือเรามีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันที่เรียกว่าเหมือนกันนั้นก็คือกล่าวโดยรูปร่างลักษณะและหน้าที่แต่เมื่อว่าโดยคุณสมบัติแล้วก็ผิดกันไกลมากโดยเหตุที่สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นธาตุทิพย์เป็นของละเอียดไม่ใช่ธาตุเนื้อซึ่งเป็นของหยาบประสิทธิภาพของฝ่ายร่างทิพย์ จึงมีใจเป็นใหญ่โดยสมบูรณ์ไม่มีกล้ามเนื้อซึ่งอยู่นอกอำนาจของจิตใจไม่มีการเคลื่อนไหวที่ทำไปเองโดยจิตใจไม่ได้สั่งเช่นการพลั้งพลาดหกล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆเลยนอกจากนั้นสุขภาพของร่างกายทิพย์อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์เสมอทั้งนี้เพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วคือภาวะของภูมิเช่นนี้ มีช่วงคลื่นแห่งความสั่นสะเทือนสูงมากจนเชื้อโรคทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงและด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องระวังสุขภาพแห่งร่างกายของเราแต่อย่างใดเลยสิ่งที่ต้องระวังก็เห็นจะเป็นเรื่องสุขภาพของจิตจะมากกว่าโรคขาดอาหารของร่างกายก็เป็นอันไม่ต้องพวงถึงในที่นี้เพราะสิ่งที่ขาดอาหารถ้าจะมีก็คือดวงจิตนั่นเอง ผู้ที่อยู่ในอบายภูมิต่างๆซึ่งเราได้ไปเยือนมาแล้วนั้นเป็นประจักษ์พยานอันดีของโรคขาดอาหารทางใจเมื่อได้แนะนำให้ท่านเห็นสภาพของร่างทิพย์ว่ามีแขนขาผมเล็บฟันหนังและกระดูกเป็นต้นเช่นนี้แล้วท่านคงอยากจะทราบต่อไปบ้างว่าร่างทิพย์นี้จะมีอะไรปกคลุมบ้างหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือร่างทิพย์นี้ จะเป็นร่างเปลือยล่อนจ้อนหรือเปล่าหรือถ้าหากมีอะไรปกคลุมสิ่งนั้นจะเป็นผ้าผ่อนแพร่พันชนิดใดหรือสีใดเสื้อผ้าของกายทิพย์สำหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโรคมนุษย์และเพิ่งเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้ในระยะแรกแรกนั้นจะมีเครื่องนุ่งหม่มชนิดเดียวกันกับที่ตนนุ่งห่มอยู่เมื่อก่อนจะสิ้นใจนั่นเอง ความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ยกเว้นไว้สำหรับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์พอสมควรและบุคคลเหล่านั้นจะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปอีกนานสักเท่าใดก็ได้ตามใจชอบโดยไม่มีผู้ใดว่ากล่าวแต่โดยมากพอรู้และเข้าใจถึงสภาวะของโลกและชีวิตใหม่เช่นนี้แล้ว ก็ไม่เคยมีปรากฏว่าใครจะยังคงเสียดายเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่อีกต่อไปเพราะดูจะเป็นหลักธรรมดาสามัญละเกินว่าเมื่อตกมาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเช่นนี้แล้วการที่จะคงสวมใส่เสื้อผ้าหยาบอันเป็นชุดของโลกมนุษย์อยู่นั้นผู้สวมใส่จะรู้สึกได้เองว่ามันไม่เข้ากับภาวะและสถานที่ซะเลยเสื้อผ้าทิพนี้ มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามชั้นภูมิของโลกทิพนั้นๆทั้งในด้านสีสันวัชณะและแบบซึ่งจะมีความหยาบและละเอียดผิดแปลกจากกันไปตามความประณีตของชั้นภูมิต่างๆกันอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าดังกล่าวนี้จะมีความยาวปกคลุมเต็มร่างลงมาจนถึงเท้าเสมอและยังมีความยาวพอที่จะม้วนและจีบ ให้เป็นพับๆได้อย่างน่าดูซึ่งที่รอยม้วลละพับนี้เองจะทำให้เกิดเป็นสีเหลือบเงาสลับสีซ้อนกันทำให้เกิดประกายวาวงดงามอย่างที่ไม่สามารถจะหาได้เลยในเสื้อผ้าของชาวโลกมนุษย์ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้เพียงแค่นี้เองเพราะถึงแม้จะอยากพนานาต่อไปอีกก็ต้องจนใจด้วยไม่มีภาษาและคาพูด อาจจะเป็นสื่อเครื่องทำให้ท่านเกิดมโนภาพได้ดียิ่งไปกว่านี้บางท่านก็อาจจะสวมสายรัดเอวเพิ่มขึ้นอีกก็ได้สายรัดนี้บางครั้งก็ทำด้วยวัตถุอย่างเดียวกันกับเสื้อผ้านั้นบางครั้งก็เป็นลายลูกไม้คล้ายๆกับทำด้วยทองหรือเงินสายรัดเอวดังกล่าวนี้ เป็นรางวัลที่ได้รับจากการทำประโยชน์หรือการประกอบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปด้วยแล้วสายรัดนี้จะมีความงดงามสดใสยอย่างยิ่งโดยมากมักจะมีอั ญ, ญมณีนานาชนิดประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงนอกจากนั้นท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านี้จะสวมมงคลอัญสุีปลัง่งรอบศีรษะของท่านอีกด้วย สำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของข้าพเจ้านี้บางท่านก็มีโอกาสได้สวมมงคลเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คงมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามชั้นของภูมิที่ต่ำกว่ามีหลักธรรมดาอยู่ว่าผู้ที่จะได้มีโอกาสสวมเครื่องประดับเป็นพิเศษเหล่านี้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วทั้งสิน้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้มา ก็โดยการกระทำความดีเป็นพิเศษเท่านั้นไม่มีใครสามารถเอาเงินทองไปซื้อหามาได้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยสำหรับเครื่องปกคลุมเท้านั้นก็เป็นไปในทํานองเดียวกันคือผู้ใดต้องการจะสวมหรือไม่ก็ได้ตามใจชอบเท่าที่กะเจ้าได้เห็นมาเป็นส่วนมากก็รู้สึกว่าสวมรองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งสิน้น แต่อันที่จริงก็มีอยู่หลายรายเหมือนกันที่ไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าซึ่งทั้งนี้ก็เป็นความพอใจส่วนบุคคลนั่นเองไม่มีกฎหรือไม่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะคอยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในเรื่องนี้และก็ไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องสวมใส่ไว้เพื่อบันเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศอย่างใดเลย ลักษณะของเสื้อผ้าทิ์มีอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่ใสหรือโปร่งตาดังที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากเข้าใจกันความจริงก็เป็นของทิฟมีเนื้อแน่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกันม่ใช่เป็นแต่เพียงเงาเง า, เงาอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งนี้ก็เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิฟนี้มีตราความสั่นสะเทถถือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิ้น จึงสามารถมีสภาวะเป็นทิฟท์เท่าเทียมกันหมดและเรายิ่งเลื่อนภาวะอันเป็นทิป์ของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความถี่หรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกทีซึ่งเราผู้อยู่ในภูมิต่ำและคุณเคยอยู่กับอัตราความถี่เพียงขนาดต่ำๆย่อมนึกไม่ถึงได้เลยว่าสภาวะของท่านเหล่านั้นจะเป็นเช่นนั้นได้ เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านทั้งหลายคงจะพอเห็นได้บ้างตามสมควรแล้วว่าการคลองร่างทิพนั้นเป็นภาวะที่น่ารื่นรมเพียงใดตลอดเวลาที่พระเจ้าได้ผ่านพบสนทนากับชาวโลกทิพทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความเป็นอยู่ของโลกทิพนี้มีอิสระเสรี เป็นความสุขสบายและสะดวกยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มากมายหลายเท่านักไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะนึกอยากกลับไปมีชีวิตในโลกมนุษย์อีกตอนที่ส8ปเด็กกำพร้าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบุคคลที่จากโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกทิพนี้จะต้องเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเหมือนกันหมดเช่น ผู้ที่ถึงแก่ความตายเมื่อวัยชราคลั่นผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ในตอนแรกอาจจะยังเป็นคนชราอยู่ก็จริงแต่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็จะรู้สึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกทีครั้งนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ากล่าวถึงสภาวะของร่างกายที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นหาได้หมายถึงสภาวะของจิตใจและสติปัญญาไม่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 มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมโดยรอบภายใต้ร่มเงานี้ก็เป็นสนามหญ้าอันเขียวขจีมีนานาพันธุ์และหลากสีขึ้นอยู่ในแปลงซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบและมีศิล ป, ปะน่าชมดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษเหมือนกันแต่บางชนิดก็เป็นดอกไม้ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะ ดอกไม้ของโลกทิปนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาให้ความสวยงามแต่อย่างเดียวเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์แต่ดอกไม้ที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือสามารถส่งพลังแห่งความชุ่มชืดนมาให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกลิ่นอันหอมหวนซึ่งมีอยู่โดยธรรมดารุท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 ชูดอกอันสวยสดสลับสีอยู่โดยทั่วไปในทะเลสาบบางแหง่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะมีเรือเล็กๆแล่แนเอื่อยๆไปตามกระแสน้ำอันไหลยเย็นและเงียบสงบเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งตึกดังกล่าวแล้วนั้นสร้างด้วยวัตถุชนิดหนึ่งแลดูคล้ายๆกับหินอลาบาสเตอร์มีสีเหลือบสลับกันอยู่ภายใน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 ก็เหมือนกับกระท่อมที่ปรากฏในเทพนิยายของเด็กๆนั่นเองบางแห่งก็ทำเป็นรูปท่อนไม้โคดรคตงอๆอย่างน่าดูมีลังคาสีแดงตามหน้าต่างก็มีลวดลายแปลกๆของเด็กๆโดยรอบกระท่อมก็มีสวน น, น้อยๆ น, น่าเอ็นดูทำให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยายในหนังสือนิทานของเด็กๆเช่นั้นเมื่ออ่านมาถึงเพียงนี้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 ต่อจากนั้นจึงแยกย้ายไปทำงานที่อื่นตามความถนัดของตนบีดามารดาของเด็กเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของเด็กพูดถึงแก่ความตายมา ก, ก่อนบีดามารดาข้าพเจ้าเคยถามเอ็ดวินว่าสำหรับบีดามารดาของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรคือเมื่อเขาตายจากโรคมนุษย์มาแล้วจะได้มาอยู่ร่วมกันดังเดิมหรือไม่เอ็ดวินได้ตอบว่า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 กายทิพย์จะพากออกจากกายเนื้อได้ชั่วคราวแต่จะยังคงไม่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อเสียทีเดียวทางนี้เพราะยังมีสายใหญ่อันเป็นเสมือนแม่เหล็กเชื่อมโยงไว้สายใหญ่นี้เป็นเครื่องผูกพันสายชีวิตระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยแท้ตราบใดที่สายใหญ่นี้ยังไม่ขาดกายทิพย์ที่พากออกไป ก็จะสามารถกลับคืนมาสู่กายเนื้อได้ดังเดิมแต่ถ้าสายายนี้ขาดลงเมื่อใดกายทิพย์จะพากออกไปโดยเด็ดขาดซึ่งต่อจากนั้นจะเหลืออยู่แต่กายเนื้ออันปราศจากชีวิตซึ่งเราเรียกกันว่าความตายกายทิพย์ที่ออกไปจากกายเนื้อในขณะหลับนั้นบางครั้งก็ยังคงล่องรอยอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับกายเนื้อนั่นเองแต่บางครั้ง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 นอกจากเป็นการบังเอิญนานๆครั้งเท่านั้นอาณาจักของเด็กๆณที่นี้มีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งทีเดียวภายในบริเวณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสนองความต้องการความผาสุกการเลื่อนเริงและการศึกษาของเด็กภายในตัวตึกซึ่งเป็นโรงเรียนก็มีหนังสือตำรับตำาราศัพวิทยาการครบถ้วนเท่าที่จําเป็น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 หลังจากความตายของเขาแล้วชะไหนเด็กๆซึ่งเป็นมนุษย์จิตใจเหมือนกันจะดำรงอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันไม่ได้แต่แม้จะได้คิดถึงหลักธรรมดาดังได้กล่าวมาแล้วก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคงจะอดประหลาดใจและตื่นเต้นเสียไม่ได้ในเมื่อได้เห็นความมโหฬารของระบบการศึกษาของเด็กๆในโลกทิพย์เช่นนี้